แต่ดูเข้าไปข้างในโอ้หกว้างขวางนะจะไปชมคนได้เป็นสองสารคนนะถ้านั่งตามระเบียบเพราะงั้นจะนั่งแบบสบายๆกว้างใช้พื้นที่ติดอย่างเต็มที่แล้วงั้นไปดูอาคารเสร็จเรียบร้อยเลยเข้าไปอุดรไปการาบครวะเจ้าคะาจังหวัดกราบครวะเจ้านายอ่างั้น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 นั่งสนธนาปารกกับท่านพอสมควรนานไม่ได้พบได้เจอท่านรู้สึกว่าท่านก็แข็งแรงเลยนะ80ดสิกว่าปีท่ำผ้าแดงอำเภอหนองบวัวซอจังหวัดอุดรเราเนี่ยแหละจากนั้นก็เลยได้ไปใกล้ตามปกติได้ไปกราบเหมือนกันกราบหลวงปู่เพงท่ากองเพลนอันนั้นก็เป็นรุ่นพี่ใหญ่เหมือนกันแก่พรรษากว่าหลวงปูล่ลีแต่อ่อนพรรษากว่าหลวงปู่เพียนหลวงปู่บุญมี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 อุปชา อ, อาจารย์ักบอกไม่มีทางอื่นแล้วก็นอกจากบวชเป็นพระบัดเนี่ยอยากจะได้บุนมากก็บวชเป็นพระปฏิบัติาแสวงหาทางพ้นทุกข์ไม่มาเวียนว่ายตายเกิอดอีกในวัฏจัสงสารเป็นพระนะ่ต้องตัดจากโลกไปเลยเบวชก็บวช เ, เตรียมตัวบวชพอบวชเสร็จแล้วท่นเนีอุปชาก็สอนอนุสาสตร์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 ถ้าดูในปฏิปฎพระพุทธเจ้าห้ามสิ่งไหนก็เป็นอับัติทุกกฎบงังเป็นปาจิตตีบงังเป็นทนุนลใจบงังแต่อับัติที่พื้นฐานก็นมีอยู่แล้ว227คอจข้อโอ้เนีพอบวชก็มาอาจารย์สอนวินัยแต่นั่นอึดอัดเลยบาดเนี่ตายตายตาต า, ต า, ตาข้าพระเจ้าอยากจะได้บุญมากบาตรได้กลับมาอึดอัดใจอีกเอาอย่างไงวะ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 ไม่ดูที่อื่นเน่ดูแต่ใจอย่างเดียวอีกไม่นานท่านก็ได้สาเร็จเป็นพระอรหันต์อ่าเพราะมันเรื่องทั้งหลายทุกทุกสิ่งทุกอย่างไปออกไปจากใจเนี่ยมันดูใจเส้อย่างเดียวท่านมันก็หมดดูต้นตอของมันแล้วอา่าที่ความผิดทั้งหลายและก็คือเป็นลากแก้วลากฝอยเก็บกับพี่ใบดอกมันออกไปต้นตอมันจริงจริงก็คือลากแก้วของมันก็คือใจ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 วัดวาศาสานามีแต่สอนกันอย่างนั้นไม่มีใครอยากจะเข้านู่นยังชิงกันลงนรกกนะันยังชิงกันเข้าคกุกเข้าตรางนะนะั่นนะพิจารณาดูสิที่หลวงพ่อพูดมีส่วนหม่หลงพ่อว่ามีส่วนทีเดียวแหละพวง น, นใจของเราเป็เช่นเดียวกันนะั่นและแต่ละวันแต่ละเวรามันไหลไปทางไหนให้พวกเราสังเกตดูกันแล้วกันไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของเราเอง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 มีแต่ความร่มเย็นเป็นถูกกิเลสออกจากใจ